อนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์าทางเผียวธรรมะคอมอาตมาพระไพบุญอภิบุญโญก็จะมากับคุณหมอรัตงครับกลาบน้ำมศการและกลาบสวัสดีครับผมทันตแพทย์รนะัตพงศ์กนกวิรุณครับเมื่อตอนที่แล้วเป็นตอนตามใจฉันครับก็ได้พูดถึงภาษาอังกฤษไปสักนิดนิดแต่หน่อยครับคราวนี้วารรังก็กลับมาแล้วก็เลยวันนี้เอพิส od ที่เท่าไหร่คุณหมอหกสิบเจ็ดครับเอพิส od ที่หกิบเจ็ดแล้วครับ อ่าก็ตอน้แล้วจีหมอรัพง์ไปไหนมาไปหายไปอาทิตย์หนึ่งหลีกเลนที่วัดป่าดอนไยโซนครับโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างหล่หมอรัพยงไ์ล่ฟังหน่อยสิต้องบอกว่าน้าตอนที่ได้กล่าวตอนสรุปก็น้าตาไหลฮะอมามาเองประโมทปิติมากอืมเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนจะไปเนี่ยกว่าจะจัดการเรื่องราวในชีวิตที่จะให้ไปได้เนี่ยก็เป็น สิ่งที่ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตารางกว่าจะขยับไปขยับมาจนลงตัวแล้วก็ตั้งใจครับต้องบอกว่าตั้งใจที่จะไปอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลื่อยมาเนี่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือกิเลสกิเลสหนาครับต้องขอสารภาพตรงนี้คนกิเลสหนาแล้วก็ได้ขัดขัดขัดขัดทางใจแล้วก็ขัดทางกายนะครับรวมทั้ง ตัวกระบวนการของการหลีกเลนเนี่ยต้องบอกว่าแม่เยี่ยมจริงๆครับเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าจะมาชมเชยกันแบบไม่ไม่มีเหตุนะครับต้องบอกว่าเป็นการหลีกเลนที่มีคุณค่าจริงๆอืมบอกกับที่ผู้ร่วมปฏิบัติในงวดนี้ต้องร่วมร้อยคนนะครับ ร, ร้อยร้อยเจ็ดคนเยอะมากเลยครับอืม แน่นศาลาเลยครับอืปกติก็จะไม่ให้เกินร้อยอะนะับในในในความเมตตาทีนี้คราวนี้มันแบบไปไ ป, ไปามามันเลยก็ได้เป็นร้อยนี่แหละร้อยเจ็ดคนที่เฉพาะผู้หลีกนี้ปกติถ้ารวมพระรวมเจ้าหน้าที่อะไรก็เกือบเกือบร้อยครับคราวนี้เฉพาะผู้หลีกไปอย่างเดียวก็100ร้อยคนร้อกว่าครับร้อเจ็ดแล้วก็แต่ว่าก็ดีมากคนแยะแต่ว่างเงียบสงบแล้วก็ ทุกคนตั้งใจครับตั้งใจจริงๆมผมรู้รู้สึกได้เลยคือตั้งใจที่จะมาตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจที่จะมุ่งเข้าสู่ เ, เส้นทางแห่งการเข้าสู่มรรคผลอคืออาจมาก็จะคือถ้าสมมุติถามถามว่ามันเป็นยังไงเราก็จะบอกได้เท่าที่เราบอกท่านผู้ฟังบอกหมอนะรัตนพงษ์นะใช่ไหมแต่ถว่าคนไปเองมาแล้วเนี่ยคุณถึงจะ Experience ไในตัวเองอ่าประจตังที่ว่าปะจตังจริงๆเลยรู้ได้เฉพาะตนแล้วนี้ต่อให้เราจะแบบสันเสริญเยินยอพูดข้อดีนะเราก็พูดได้นิดเดียวคือถ้าเราจะพูดข้อดีของเราเองใช่ไหมก็ไอให้ผู้หนอเ้ามาพูดโฆษณาให้ก็แล้วกันครับครับเพราะว่ามันคือกิเลสทางใจอย่างที่บอกก็คือก็การเจริญภาวนาใช่ไหมครับเจริญ โดยการใช้อนาปนสติเป็นรูปแบบเลยนะครับส่วนการขัดกิเลสทางกายก็คือผมก็อาสาสมัครเป็นคนล้างห้องน้ำอ่าใช่ๆช่ช่ล้างๆ้างล้างตั้งแต่วันแรกเลยครับผู้ชายมีคนล้างอยู่สองึงสามคนตแต่แรกสามแล้วก็ตาลังเหลือสองขัดไปขัดมารู้สึกว่าแม่ห้องน้ำเนี่ยมันสุดโสมมากเลยครับอืมสามสิบปีแล้วที่ตั้งแต่หลวงพ่อสร้างมาครับพร้อมกับวัดเลยตอนสร้าง ก็รู้สึกว่าแบบโหเกิดแรงบันดาลใจที่บอกว่าเราอยากที่จะร่วมสร้างถาวรวัตถุคือห้องน้ําเนียใหม่ก็ตั้งใจตอนภาวนาก็ตั้งใจแล้วก็มีพิจารณาอยู่แล้วก็ในวันสุดท้ายก็คือก่อนวันสุดท้ายก็เรียนหลวงพ่อแล้วว่าภาวนาที่จะรับเป็นเจ้าภาพพอวันสุดท้ายหลวงพ่อก็ให้โอกาสที่จะแจ้งกับทางคณะผู้ปฏิบัติทั้งหมดทุกคนก็โหแบบ นุวงโทนาแล้วก็หลั่งไหลทั้งเงินทั้งแจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะโอนขอเบอร์บัญชีอย่างเงี้ยครับอโอ้โหมากมายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีวิศวกรมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่ทำงานในบริษัทเครือซีเมนต์ไทยเสนอเสนอตัวเข้ามาเลยเข้ามาหาผมเลยว่าบอกว่าเนี่ยพร้อมที่จะช่วยด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ตัวนี้ผมก็แบบโหนี่ แบบบรารมีของหลวงพ่อกับพระอาจารย์เนี่ยแบบแหมมันล้นเหลืออย่างนี้พูดไม่ถูกเลยครับแบบว่าอมันมันเหมือนเรื่องที่แบบแมมมาเป็นชัดตๆเลยครับโอ้โหถ้าไม่เจอเองนี่ไม่ไม่เชื่อครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อง่ายอยู่แล้วอืครับคือเราก็ค่อยๆทําไปนะแต่ว่าแล้วก็ในในกระบวนการนี้ย คือในระหว่างที่เราก็ดับทุกของเราไปด้วยถ้าเราสามารถรช่วยคนอื่นพาคนอื่นไปด้วยได้เนี่ยเราก็ก็ยินดีครับแล้ว<ม>ตัวเราเองอะ่ะตัวธรรมาเองอ่ะนะก็พยายามที่จะใช้พระวจนะให้มากที่สุดับนะในะในวัดต่างๆนี่ก็จะเห็นป้าอยอะไรต่างๆเนาะใช่ครับตามต้นไม้ติดอยู่คนที่เดินจงกรมก็จะได้พิจารณาอ่านไปด้วยผมอ่านรอบวัดเลยครับเออมันจะมีแบบไปชซนผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลย รจริงป้ายนียเป็นชุดเดียวกันนะก็ทำไว้สองอชุดแต่แต่ว่าแต่ว่าในวัดนี่เราเรามาติดชุดเดียวแต่ป น, นป้าย<อ>แต่ละป้ายเนี่ยจะมีแค่อันเดียวเลยก็จะไม่ซ้มกันอ๋อครั บ, <อ>รบก็ดีมากเลยครับทีนี้ก็สารต่อเรื่องห้องน้ำว่าจะขออนุญาตพระอาจารย์ที่จะแจ้งเรื่องของการบอกบุญอ๋อได้ได้เดี๋ยวว่าจะมีแฟนรายการเนี่ยจะ ต้องการที่จะร่วมนะครับร่วมทําจิตกุศลอันนี้ก็คือนิดนึงก็คือห้องน้ําเวลาคนที่เคยไปวัดป่าดอนหโศกพอเข้าซุ้มประตูวัดปั๊บเนี่ยมองไปทางซ้ายมือจะเห็นแนวห้องน้ําอยู่นะครับอคืออันนั้นจะคือจะมีห้องน้ําฝั่งละสิบเจ็ดห้องอืหันหน้าไปทางตะวันออกสิบเจ็ดหันไปทางตะวันตกสิบเจ็ดคือสามสิบสี่ห้องก็คือตอนนี้หลวงพ่อกับพระอาจารย์เนี่ยก็บอกว่า เมื่อพร้อมเนี่ยจะทุบอันเก่าแล้วก็สร้างใหม่บนพื้นที่เดิ ม, มแต่เราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ใหดีที่สุดบนบนเนี่ยที่ที่เราหน้าที่ที่เราจะจะมหมายที่การใช้งานนะครับทีนี้ผมก็ปรนนารเป็นเจ้าภาพนะครับก็เลยขออนุญาตแจ้งบัญชีกับชื่อคือชื่อผมคือนัทพงศ์กะหนกวิรุณบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขา Big C ซรพราม4นะครับหมายเลข 770-2-17003-0 ขีดอขีดขีดอีกครั้งหนึ่งหมายเลข 770-2-17003-0 ขีดขีดเจขีดเป็นบัญชีอ อ, อมทรัพย์นะครับออมทรัพย์ถ้ามีการโอนหรืออย่างไรก็ SMS หรือโทรศัพท์มาบอกผมได้นะครับ อ, อ, อย่างนี้ควรจะให้เบอร์โทรศัพท์มือถือได้ไห<ด>มครับครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งสี่ศูนย์เก้าเก้าหกอีกครั้งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งสี่ศูนย์เก้าเก้าหกก็ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับผู้ที่มีจิตเป็นกุศลทุกท่านนะครับโอเคอนุโมทนาด้วย <laughs> ครั บ, รบ <laughs> เ, เรื่องห้องน้ำนี่ก็คือมันสร้างมาสาสิบปีตั้งแต่วัดตั้งสองห้าสองสาม ครั บ, รบแล้วก็หนวงปู่ก็เลยตอนแร ก, กคิดว่าจะสร้างข้างๆกันแล้วก็เอาอันนี้เก็บไว้เป็นอ น, อนุสร์นคิดไปคิดคมาทุบมันซะเถอะก็ <c oughs> เลยจะทําใหม่มันก็เสื่อมโทรมมากจริงๆที่มากจริงๆก็ถ้าไม่มีหม้อรัพพงมาคิดเราก็คงจะแบบว่าใช้ไปซ่อมแซมปะตรงนั้นตรงนีน้เอาไม้มาเสริมอะไรเงี้ยดีที่สุดก็คิดได้แค่นั้นก็ก็ดีแล้วที่ปอมีคนมาเป็นอก็เรียกว่าหัวรีหัวแรงก็ก็เลยทําได้เนาะก็ต้อง ครับคือคือมามีความ<อ>คิดอย่างนี้ว่าห้องเอ่อห้องน้ำเนี่ยเป็นที่ถ่ายทุกันนะมันได้ความทุกข์แล้วก็ปลดมาใส่เจนี้เป็นเรื่องสําคัญไปไหนแล้วก็ต้องมีที่นี่อยู่ห้องน้ําำนะมันก็ ค, คิดว่าเออเอ่อถ้าหมอรัพพงศ์จะทํานี้ก็เลยอนุ ญ, ญาตหลวงพ่อก็เห็นด้วยแล้วก็เลยให้อนุ ญ, ญาตให้แบบทำใหม่ขึ้นมาให้มันดีก็แล้วกันครับครับก็ถือเป็นโอกาสที่จะสร้างบุญของผมด้วยกับผู้มีจิตสตานั่ พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วมีอะไรต่อยอไหมเกี่ยวกับการปฏิบัติลิกเรน์ของหมอรัตพงศ์ที่คิดว่าจะแชร์กับท่านผู้ฟังถ้ามีเพิ่มเติมมานะครับที่ชัดเรื่องของอการนั่งอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับโอ้โหหมอรัตพงศ์เอาความลับมาบอกก็เหมือนแล้วนี่น <laughs> <laughs> ขัดกิเลส ด, ดีมากครับืเ อ, อเคยเคยฟังจากคอร์สลิกเรน์ที่ของวัดนาป่พงเป็หนึ่งชั่วโมงเราฟังล้วก็ขำนะ ขำแบบเออมีแบบพยายามพอคือในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมแบ่งคร่าวๆเป็นสิบห้านาทีสี่ช่วงใช่ไหมครับในช่วงสิบห้านาทีแรกเนี่ยคืออย่างอย่างตัวตัวเองเลยนะเอาของจริงเลยสิบห้านาทีแรกเนี่ยโอ้สบายมากสิบห้านาทีที่สองก็เริ่มตึงๆนิดนึงก็อ่ะสบายๆเพราะว่าปกติผมจะนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงโดยไม่ต้องขยับแต่พอสี่สิบห้านาทีที่สามนะครับ มันก็จะเริ่มเจ็บนะเจ็บแบบต้องเริ่มทุกขเวทนาเริ่มพองพองพองเออื ม, มแต่ว่าได้ได้ไดอดอดทนดกลัน้นแต่พอสี่สิบห้านาทีสุดท้ายเนี่ยแบบโอ้ยมันมันมันมันเจ็บมันตึงมากมันมแบบเอ็นมันจะจะขาดไหมเนี่ยได้แบบได้นะใช่ครับมันโอ้ทุกขเวทนาจิตก็นึกถึงว่าคือท่านวางกดไว้ว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงะระฆังห้าม ห้ามเปลี่ยนท่าห้ามลืมตาผมก็โอ้โหท่านท่านภัยบูลครับขอละคังครับผมก็นึกอธิษฐานผมนั่งแถวหน้านโอ้โตอนหลังมาทราบว่าแถวหน้าแถวสองเนี่ยเขาโอ้โหอธิษฐาน <c oughs> ท่านกันไปแล้วพราว่าทำให้ตรงเนี้ยกิเลสครับท่านใช่คือทพ อ, <c oughs> พ, อพอเจ็บเนี่ยกิเลสมันมันมันจะดิ้นละมันจะดิ้นมันจะ คือคือพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกิเลนไปงี้พอมันออกมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราเรานิ่งเฉยอยู่ได้มันมันตายกิเลมันตายแต่ถ้าเราตามมันคือลำเพลินคือเราจบเราตายก็ใช่ไหมจิตจิตเราจะตายจิตเราจะเจ็บมากแต่ถ okay. well, okay. kind of ้าเรานิ่งใช่ัหมคือให้มันออกคือมันไหลออกไปอครับแล้วก็คือมันก็จะมันก็จะดีขึ้นนะจิตเราก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าในช่วงคือ ทั้งหมดที่ปฏิบัติเนี่ยก็คือผมนับแล 10, 17, 17บ้วสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดบลลังสิบเจ็ดครั้งผมว่าผมนับหมดเลยนะนับเป็นยกเหมือนนักมวยแแรกนับอ่ห้าครั้งแรกเนี่ยอย่างที่บอกสี่สิบห้านาทีอ่าสิบห้านาทีสุดท้ายเนี่ยแบบจะจ ะ, จะต้องขอใช้ควาว่าจะตายให้ได้ ม, มันมันแล้วก็มันจะมีการแบบขยับตัวเล็กน้อยแบบไม่ไม่ได้เปลี่ยนท่าแต่ว่ามีการ นิดนึงปรับองศาอาาคือกิ๋แหลมมันจะดิน้นดิ้นดิ น, ด น, ดนแล้วเราก็เหมือนตามใจมันว่าเออลองปรับนิดนึงเออมันดีขึ้นนิดนึง่งแต่โอยมันมันก็เจ็บเจ็บมากกว่าเดิมอีกทีนี้ก็เลยหลังจากครั้งที่ห้าเริ่มลองลองไม่เอา้าบอกว่าตายก็ตายเพราะว่าด้วยคําปฏิฐานที่ท่านบอกเนี่ยหนังอง <c oughs> <บ>ินกรดูกเราเนี่ยังกระดูกจะเหลืออยู่เลย่ะใช่เราก็นึกถึงคําว่าเอ้าตายก็ตายตายตอนนั่งสมาธิเนี่ย ต้องไปดีแน่นอนอตายก็ตายดูลมอย่างเดียวเลยมันก็จะเริ่มทิ้งทุกขเวทนาบอกเออความเจ็บมันยังอยู่ครับแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันมาเกาะกับลมซึ่งตอนที่เกาะกับลมเนี่ยมันเหมือนวาบนั้นเน่ยจังหวะนั้นเนี่ ย, วนนยความเจ็บมันหายไปทิ้งแต่ว่าเราจะดำรงสภาพนั้นได้นานสักเท่าไหร่อืซึ่งตัวกําลังภาวนาเราก็คงยังไม่ไม่ได้สูงนะก็มันก็จะ เด้งไปเด้งมาชักกะเยาะกันอ่ะเดี๋ยวก็ไปเจ็บเดี๋ยวดึงกลับมาที่ลมอหายเจ็บเดี๋ยวกิเลสมันก็ไปละดึงไปนู่นไปนี่ชักกเยาะไปมาไปมานะครับโอ้โหสนุกมากผมผมบอกกับผู้ร่วมปฏิบัติทั้งร้อยกว่าคนว่าในช่วงอพอถึงครั้งที่ห้าที่เริ่มเริ่มเริ่มสู้แล้วก็แต่ว่าก็ยังยังไม่ค่อยคือสิบครั้งแรกเนี่ยมันยังเป็นยาขมอยู่อื แบบถึงช่วงนี้เนี่ยจะแบบกัดฟันฟันชนฟันแต่หลังจากครั้งที่สิบเนี่ยเริ่มจับทางเขาได to ้เริ่มแบบสู้สู้ตายตาตายก็ตายตายก็ตายตายก็ตายแล้วก็หลังจากครั้งที่สิบมานี้แบบสบายวันที่ห้าเป็นผมชอบแล้วผมเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะมาเจอชั่วโมงอธิฐานเี้ยเพราะว่าภาวนาจะขึ้นดีมากคือเป็นงนี้กระบวนการของจิตเรานี่นะพอมันไม่มีที่ให้ไปแล้วเนี่ย คืออย่างตอนแรกเรามาเนี่ยเราก็จะเออคือการเพ่งไงถ้าเราเพ่งอย่างอย่างม้ากระจอกเนี่ยเอเราก็จะเพ่งที่ว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้พักเมื่อไหร่จะรักครั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะจริงครับทีนี้ว่าอถ้าเผื่อว่าเราไม่มีทางไปแล้วเนี่ยมันต้องออกชนะอย่างเดียวมันก็จะปรับให้มาเป็นการเพ่งอย่างม้าอาชนไยคือคุณเดินตามมัคไงคุณมีทางเดียวคือเดินตามมัคไปคือถ้าเราปฏิบัติตามมัคไปเนี่ยจุดที่จะได้ก็คือการไปถึงนิพพาน เนี่ย <ic> ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราทําความเพียรอยู่เรื่อยๆในอย่างกรณีของมาลพงมาเนี่ยชัดเจนเลยว่าอถ้าเราดํารงตนอยู่ในความสบายแล้วกุศลธรรมเกิดนะแล้วก็แต่ถ้าเราทําดํารงตนอยู่ในความาลํรรรมบ า, าลบากแล้วกุศลธรรมเกิดงั้นให้ดํารงตนอยู่ในความลําบากอพอเราลําบากแล้วกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเสื่อมไปนะเราก็จะกลับไปดํารงตนเหมือนสบายก็ได้ก็คือเปรียบเทียบแบบลูกศรที่มันคันศรที่มันต้องดัดอ่ะ ต้องลนรนไฟแล้วก็ดัดรนไฟแล้วก็ดัดถ้ามันตรงแล้วก็คือจบแล้วก็สบายละอืมครับอ๋ออันนี้เป็นนิด ม, มีมีพระพระสูตรด้วยใช่ไหมครับม้าชนัยที่ที่เรียกว่ามีกา ร, การตรงตรงการการเพ่งอย่างม้ากระจอกกับม้าอาชะนายนะทีนี้ที่พูดถึงรเรื่องลูกศรที่ดัดคันศรเนี่ยก็บินอีกพระสูตรหนึ่งพูดถึงเรื่องความเพียรตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่ เราทําแล้วแล้วจิตเรามันต้องทําอย่างที่เขา assign มาอย่างนะี้นะคือจะไม่เราต้องหาทางออกทางนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยมันก็จะมาเพ่งอยู่ที่ว่าอเอ๊ะทำท่านี้ไม่ได้เอ๊ท่านี้ท่านัางไมันก็ปวดหมดเลยงั้นเราต้องเปลี่ยนที่จิตมันก็จะไปออกทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราต้องวางเห็นตามความไม่เที่ยงเห็นความเบื่อหน่ายแล้ววางได้หรือมันก็จะกลายความปวดไปแล้วที่พอเราชนะได้เนี่ยมันเหมือนนักวิ่งมรดพงคุณวิ่งได้เนี่ยคุณยิ่งชอบวิ่ง อ่ายิ่งอย่างนักกีฬาเนี่ยคุณเล่นอะไรเก่งเล่นอะไรดีนี่คุณยิ่งเล่นยิ่งชอบโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นอ่าเพราะฉะนั้นมันเกิดชันขึนอ่า<ะ>พอเราทําได้เนี่ยเราเราก็ยิ่งทําคน ค, คนภาวนาดีอ่ะยิ่งภาวนามากขึ้นไป ก็จะไหมบางคนเขาเออฉันภาวนาดีแล้วฉันก็พอแหมฉันทําไปเนี่ยนะเพื่อเลยภาวนาดีพอบรรลุเสร็จปุ๊บเดี๋ยวฉันั่งดื่มน้ำชาเฉยเยจิบเฉยเยไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่เลยคุณพอพอเอรู้ทำขั้นไหนมันยิ่งขยันมากขึ้นอืมมันยิ่งละเอียดมากขึ้นยิ่งทํามากขึ้นมากันเถอะครับเรื่องกุศลธรรมนี้ต้องทําให้มากไม่มีประมาณใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าอคืนก่อนที่ตรัสรู้อะนะเราไปฟังว่า เราได้รู้สึกถึงทำสองซึ่งทำสองอย่างอย่างแรกนี่คือว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มจักรพรในคุศสธรรมทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นอย่างในกระบวนการละมาหลีนในปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็เป็นการดีนะที่ที่เราได้มาทําแน่ละ่ะครับครับทีนี้ในพูดถึงเรื่องของม้าที่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับม้ากระจอะกับม้าอาชานาัยอย่างเงี้ย ก็คือว่าม้าม้ากระชอเนี่มันจะเพ่งแต่เรื่องแบบเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องปากเรื่องทองเรื่องกรรมคุณอืมอย่างบางคนมานั่งสมาธิก็เร่งว่าเออเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะได้พักอย่างนี้นะครับ่เมื่อไหรวันนี้จะได้กินอะไรอย่างเงี้ยใช่อาหารอร่อยครับมังสวิรัตโอ้อร่อยจริงๆแบบผมไม่เข้าใจว่าที่ไปปฏิบัติธรรมทุกครั้งเนี่ยแม้ครัวจะเก่งนะทำได้ถูกป่าจริงๆทุกที่ก็เป็นอย่างนี้ไหม สามสี่ที่ที่เคยไป อ, อ, อร่อยทุกที่แล้วก็พูดถึงมากระจอกนี่นะครับเในบริษัทเราก็จะเห็นคนที่เป็นมากระกจอกะจะ<ช>พูดถึงแต่เรื่องโบนัสเวลาพักวันนี้จะไปกินอะไรพวกนี้เป็นมากร์กจอกออวันหยุดไปเที่ยวไหนเ อ, อหรือว่าถ้าเผื่อว่าเป็นมาร์กชไนเราก็จะพูดถึงเรื่องงานเลงถึงเรื่องผลกองงาน เราเร่งถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองเรียนเร็งถึงเรื่องสิ่งที่เราจะเรียนรู้มีโอกาสปุ๊บทาเลยมีโอกาสปุ๊บใช้ทันทีมันไม่เหมือนกันเออตัวอย่างนี้อาตมาเคยเจอตอนที่เราทํางานอยู่สิงคโปร์เนี่ยจะมีคนมีเวอร์เกอร์มีคนงานเนี่ยนะรับมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งเนี่ยพอเวลาพักปุ๊บนั่งทันทีพักปุ๊บนั่งทันทีแล้วก็อีกคนหนึ่งเวลาพักปุ๊บเดี๋ยวเ้าหาเก็บนั่นเก็บนี่ จัดเครื่องไม้เครื่องมือซ่อมแซมวัสดุต่างๆนั่งเขาก็เวลาพักเขาก็ไม่ได้นั่งแบบแบบแบบไม่พร้อมที่จะลุกอย่างพระสงค์นี้เราต้องฝึกให้ก้นเบานะคือคุณต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะลุกแต่ถ้าผพว่าคุณไม่ฝึกไม่ดีคุณก็จะแบบว่านั่งแชะนั่งแแมะอย่างเงี้นะไม่ไหวใชเรียกรากงอภาษาไทยแล้วก็แบบคอยที่จะเพ่งเลงว่าเออฉันจะไปเที่ยวไหนดีฉันจะ วันนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะหาคุยกับใครดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นเพ่งเลงกันแต่ว่าคนที่ดีเนี่ยเขาจะเพ่งเลงในการที่จะชําระจิตตัวเองหรือเพ่งเลงไปในการที่จะทําสิ่งที่ดีพัฒนาตนพัฒนาตนพัฒนางานเรื่องเราอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะต้องคอยมาเป็นการเพ่งเพ่งที่จะคอยที่จะอย่างอุปทามภ์อุปถัหรือว่าทําสิ่งที่ถูกต้องรูปอย่างม้าอาชนาอย่างเงี้ยจะ เป็นม้าที่รู้ใจเจ้านายอืว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอืมอย่างพระผู้ใหญ่จะขยับตัวจะหันหน้าเราต้องเรียนเลยต้องการจะพูดถึงบุคคลอาชนายม้าอาชนายในกรณีนี้อืม้าอาชนายเนี่ยจะรู้ใจเจ้านายอันนี้เป็นเรื่องของอันตกถาที่ไม่น่าจะเคยเลาให้ฟังหรืเปล่าแต่จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งแล้วกันนะอคือมีม้าม้าอาชนายตัวหนึ่งนะคือม้าอาชนายเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบคือคุณจะมาเป็นม้าอาชนายได้นะ คือคุณต้องมีสัญชาติแห่งความเป็นม้าอาชนา伊ครับสัญชาติแห่งความเป็นม้าอาชนายเนี่ยคือเป็นม้าที่พอจะฝึกได้ให้เป็นม้าอาชนายได้ม้าตัวนี้เขาฝึกมาเป็นอาชนา伊ละก็เลยเอาไปมอบให้พระราชากษัตริย์นะพระราชาคือม้าอาชนายเนี่ยเป็นเป็นม้าที่เป็นองค์อวยวะของพระราชานะเป็นม้าที่คู่ควรเป็นองค์อวยวะของพระราชาใช่ไหมต้องถูกฝึกมาดีต้องนิ่งต้องรู้ว่า<ม>จะให้เดินอย่างไหนเดินด้วยความเร็วเท่าไหร่เดินหรือวิ่ง นะแล้วก็คนนี้เป็นใครคนนี้สมควรกับการปฏิบัติแบบไหนอย่างเงี้ยม้าตัวนี้ปรากฏว่าเขอเอาไปให้ประชาชนประชาชนก็เออครับอย่างดีเลยให้มันวิ่งไปจนถึงแม่น้ําสายหนึ่งรปรากฏว่าบังคับให้ม้าลุยน้ําไปคือมันก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะปรากฏม้าไม่ยอมไปเอ้ม้าไม่ยอมไปทําไมก็เลยพยายามจะบังคับให้ม้าไปม้าก็ไม่ยอมไปจนสามรอบก็เลยคงไม่ได้การแล้วมาตัวนี้ฝึกมาไม่ดีก็เลยเรียกเรียกเจ้า คนฝึกม้ามาคนฝึกม้าก็บอกไม่มีทางม้าตัวนี้เราฝึกอย่างดีมากม้าตัวนี้มีสัญชาติของความเป็นอัชฉรยก็เลยไปดูสถานการณ์ปรากฏว่าเลยแนะนําให้พระราชาคนนี้จับหางม้าขึ้นแล้วก็บังคับให้ม้าไปปรากฏม้าไปเฉยเลยคือระดับน้าลึกเนี่ยมันลึกประมาณก็ประมาณอกของของคนก็ประมาณประมาณสักครึ่งตัวของม้าอย่างเงี้ยคือพอ คนฝึกม้าเนี่ยเข้ามาบอกพระราชาทีหลังบอกม้าตัวเนี้ยอรู้ว่าใครเป็นใครนะคือรู้ว่าพระราชาเนี่ยแต่งตัวมาอย่างเต็มที่นะคือทรงเขาเรียกว่าแต่งชุดเต็มยศนะถ้าถ้าผมว่าวิ่งไปเนี่ยลุยไปหางตัวเองจะเปียกนะแล้วพอวิ่งต่อไปเนี่ยจะทําให้เครื่องแบบของพระราชาเนี่ยเปียกเลยไม่ยอมไปอรู้ใจขนาดนี้ใช่ครับแบบน้ําก็ประมาณครึ่งตัวมาอย่างเงี้ยนะหรือประมาณขาของม้าซึ่งมันจะไปโดนหางของมันได้ อครับซึ่งซึ่งมันก็เลยไม่ยอมไปว่าอย่งนั้นคือ น, นี่คือมาอาชนะนายรู้แบบรู้ใจนายาแล้วก็รู้ว่าต้องทําอะไรออันไหนควรกับอันไหนเป็นผู้นิ่งคอยสังเกตดูมาอาชนะชนายจะเพ่งว่าไอคนนี้เป็นศัตรูหรือว่าเป็น เ, เป็นมิตรเราควครจัปฏิบัติกับคนนี้ยังไงขนาดใครเป็นนายเราใครเป็นศัตรูเราดใครเป็นคนนี้คู่ควรกับการปฏิบัติแบบไหนอย่างนี้นะมาาชนะนายจะทราบ มันมีสติรู้รอบเลยนะครับคือผู้ริกร้อนเนี่ยยังไงคุณก็ได้เนื่องจากว่าคุณไม่ต้องทําอะไรถึงเวลากินก็ไปกินถึงเวลานอนก็ไปนอนถึงเวลาเดินก็ไปเดินถึงเวลามาฟังทำก็มาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผู้ช่วยงานทําเนี่ยคุณไหนจะต้องทําทำไปนี่ทําไปนั่นแล้วจิตคุณต้องรักษาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกการที่ให้มีสติอยู่ในการทํากิจต่างๆทั้งหมดแล้วก็คอยควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่า อความสําเร็จของหลักของของการหลีกเลนแต่ละรอบเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าเออผู้หลีกเล่นเขาได้หรือไม่หรือว่าเขาจะกล่าวชมเรามากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรารักษาอารมณ์ของเราได้ขนาดไหนอืเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นเราแก้ปัญหา ย, ยังไงเ อ, อมีคนทําอย่างนี้เราจะทํายังไงอย่างเงี้ยเราควบคุมทํายังไงนี่คือเรื่องทางกายก็อย่างนึงนะแต่นี้เราพูดถึงเรื่องทางใจัใช่ไหมทางจิตครับผมหมายถึงทุกทุกคนผู้ปฏิบัติด้วยผู้ช่วยงานทําด้วยหรือ ตัวพระอาจารย์เองตัวทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกันใช่ไครับก็จะพัฒนาขึ้นไปใช่แล้วก็ตามภูมิธรรมครับแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นที่ว่าเราก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้มานะใครที่มาอยู่แล้วก็ขอให้เป็นสุขครับแล้วก็ผู้ช่งานทำผู้ช่งานทำนี่ก็จะไม่ใช่เบสหรือไม่ใช่ผู้คุ้มกดนะเราเราพูดกันชัดเจนว่าเออเราก็คือคนที่มาปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง โดยการที่มันเป็นอาสาสมัครนะเป็นเหมือนกับมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะหมอรัตพงก็ใช่ไหมคือคือมีชีวิตคือชีวิตของคุณเป็นธรรมะนึงหรอืหมเพราะงั้นการเป็นแบบของคุณการอะไย่างคุณก็ต้องอยู่ในคันลองที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะหนักจะเบาเราก็ไม่บ่นไม่ว่าอเป็นผู้ที่เป็นอาชานั่งนั่งครับโอผมประทับใจคําว่าไม่ใช่ผู้คุมกฎคือไม่ใช่ตํารวจมาจับผู้ที่แบบ นั่งไม่นิ่งทําเสียงดังเนี่ยไม่ใช่ใช อ, เ, อเพราะว่ามีครับมีกรณีเหมือนกันบางคนแอบเป็นญาติกันเพอเพอคุยนอกนอกสาระบางทีผู้ช่วยงานองก็ไม่ได้ไปบอกคุณคุ ณ, คณห้ามคุยคือมันจะมีเหมือนกระแสของคนอื่นที่อุ้ยคุณมีเสียงก็เือว่าประจุจู่จู่อะไรใช่ใช่อะไรเงี้ยเออโหเขาก็รู้ตัวว่าอุ๊ยพลาดสติหลุดคือไป เปิดวาจาอย่างเนี้คือหมายความว่าถ้าถ้าครั้งสองครั้งก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามากครั้งนี้ก็จะจะต้องมีการเรียกมาพบครับเรียกมาพบอืมครับงวดนี้ไม่ไม่มีนะครับมีไหมครับผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนเหมือนรู้สึกไม่ไม่มีไม่มีอืยอดเยี่ยมมากเลยนะไม่มีมาหลายครั้งแล้วเครับที่ว่าจะต้องมาคอยแบบเจ้าดี่จำใจต้องขออนุญาตกล่าวชมพระอาจารย์ด้วยนะครับ คือตัวพระสูตรที่มาในแต่ละช่วง เ, เวลาแล้วก็จังหวะเนี่ยสอดรับกันมากอันนี้อันนี้ต้องพูดภาษาภาษาอังกฤ ษ, <อ>กฤษคำนี้ improvise ออมา improvise มากก็คือแบบเปลีป่ยนไปเรื่อยอันนี้นั่นผมก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปครับครับถึงบอกว่าขอเชิญชวนและบอกว่านี่จากที่ผมปฏิบัติมาผู้ที่ยังไม่เคยไปขอเชิญเลยครับอืมแล้วจะเป็น แปวันที่มีค่าที่สุดในชีวิตจะจดจำไปผมว่าจนหมดสิ้นลมหายใจตัวตัวเขาตัวตมาเองนะมาดพงเอ้ยตอนก่อนเราจะมาบวชเนี่ยเราก็เคยไปหลีกเล่นปฏิบัติมาเราพบว่าอย่างเราเนี่ยนะกว่าจะมาได้เนี่ยมันยากมากไม่ต้องพูดถึงห้าวันเจ็ดวันเราจะมาเอาสอที่สองวันยังไม่ว่างเลยและเพราะฉะนั้นจะลามาสองมาห้าวันเนี่ยโหมันเป็นคอมมิชเมนที่สูงมากเพราะฉะนั้นเราต้องได แล้วพอเราไปเสร็จป uh like oh, ุ๊บเราได้จร oh, no, okay, ิงๆเนี <S <S ่ยเราคิดว่าโอ้โหเรายังไปเที่ยวต่างประเทศ7วัน10บวันได้ไอ้เหแล้วทำไมเราจะมาใช้ชีวิตเราอยู่ตรงนี้5วันคือลา5วันสมมติเราลา2สัปดาห์เงี้ยไปเที่ยวต่างประเทศโอ้ยังตรียมการได้ไปได้เราเสียเงินนี่เอ๊ะแล้วทําไมเรามาตรงนี้แค่ใช้เวลาอันเดียวเงินที่ได้เงินที่ใช้ก็สร้างบุญอีกตัวเราก็ได้บุญอีกโอ้มันดีกว่ากันมาก เราก็ไม่ใช่ไปทเที่ยวแบเยบีย่ยวเ ย, ย, ย, ยวอะไรอย่างนั้นไปเที่ยวต่างประเทศเอย่างงั้นแต่นี่มาหาความสุขที่เกิดจากความว่างอย่างนีน้มันดีกว่ามากเลยมากๆจริงๆเลยอืลิบลิบรับเลยครับเผอิญว่าผมเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมาเข้าหลิ่งคืนใ น, นต่อกันเลยครับมันเหมือนออืคือพอจะคาดเดาความรู้สึกได้แล้วคือก่อนนะแต่ว่ามันก็ลึกลงไปอีกครับเพราะไปญี่ปุ่นมาก็แหมไปสัมผัส วิวัฒนาการทางวัตถุที่แบบเลิศของโลกแล้วก็วันรุ่งขึ้นต้องมานอนวัดป่ า, าอยู่ในที่ที่สงบวิเวกอย่างเงี้ยโอ้แบบว่าแม่มันแบบว่าสุขข้างนอกกับสุขข้างในนี่มันเทียบกันไม่ได้จริงๆใช่รใชครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเรามีทีมงานที่ดีเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีเรามีคํ า, า, าคสอนพระเช่าที่ยังสมบูรณ์อยู่แม่งนั้นเราต้องทําออกมาให้ดี ไปถึงฝ่ายเรื่องของการบริหารจัดการใช่ไหมบุคลากร อ, นอันนี้เป็นคือสามสิ่งที่ที่การหลีกเล่นที่พรป่ า, ปาอหอไปโซเราจะทําให้ดีนะอันดับแรกก็คือว่าการหลีกเล่นแล้วก็สิ่งที่เป็นพุทธประะอันที่สองก็คือเรื่องของบุคลากรแล้วก็การบริหารการจัดการและเรื่องที่สามก็เป็นความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คิดว่าก็ค่อยๆทําไปค่อยๆพัฒนาไป ครับคก็จะเหตุปัจจัยก็จะเกื้อกูลกันมากขึ้น ม, มากขึ้นนะครับเอ่อกับมาเรื่องที่ของผู้ที่เป็นอชาชนายนิดหนึ่งครับคนที่เป็ น, ปนอาชนายมีผู้ที่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นม้าอชาชนายเนี่ยนะเอ่อนอกจากจะ ค, คอยเพ่งในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยรัพระเช้าเคยคพูดถึงเอ่อการที่เป็นผู้อดทนผู้ที่มีความอดทนมากนะจะถูกดา่าถูกว่า นะคือเป็นอะไรก็อดทนได้นิ่งอยู่ได้ครับนะจะเป็นภาคคีย์ลี้วอะไรก็เป็นได้นะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่บน่นไม่ว่าอย่างมาอาชนา이จะเข้าสู่สงครามอย่างเงี้ยคุณไม่ได้กินตามเวลาคุณไม่ได้ดื่มตามเวลาคุณต้องอดทนได้นะจริงครับบางทีงานมันต้องมีต่อเนื่องเราต้องไม่บน่นไม่ว่าอย่างเงี้ยนะอืมอืมครับแต่ถ้าเรามีลูก<อ>น้องอย่างนี้ก็จะดีมากอนะในบริษัทเรียกว่าครับเป็นผู้ซึ่งจะทําความเจริญ อันยิ่งยิ่งขึ้นไปครับอือใช่ใช่เพราะว่าบางคนพอเลยเวลาปั๊บก็นึก OT <laughs> หรือว่าทีนี้ก็เรื่องเรื่องตรงนี้ฝึกได้ไหมเออก็อยู่ที่เป็นอย่างนี้ว่าเออถ้าเขามีสัญชาติแห่งความเป็นอาชนายนะคือบุคบคลไหนที่จะมีสัญชาตแห่งความเป็นอาชนายได้บ้างก็คือบุรุษที่พอจะฝึกได้เนี่ยที่บระเาบอกว่าอ่า เ, เป็นบุคคลที่มีทุดีในดวงตาน้อยเนี่ยพอฝึกได้ รึกในลักษณะที่ว่าไตาเดินตามมรคแปดนี่แหละพอจิตมันมันมีกิเลสน้อยลงจิตมันมีความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะจะทำไปได้นะ อ, อะไรที่เป็นถูกต้องตามธรรมเราก็ทำได้ครับแสดงว่ากระบวนการพัฒนาเข้าสู่เหมือนมาอาชานายหรือคนที่จะเป็นอาชานายเนี่ยซึ่งอย่างสมมติว่าเรามีหลักสูตรเรื่องของการปฏิบัติ ภาวนาหลีกรีนเนี่ยโดยทั่วไปเลยในโรงเรียนในมหาลัยหรือว่าในบริษัทห้างร้านต่างๆนี่พระอาจารย์ว่าน่าจะเป็นทางของการพัฒนาคนที่ถูกต้องออการศึกษาที่ถูกต้อง<ม>คือถ้าเราจะไปจ่ายเงินไปเทรนนิ่งอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเวลาแบบ น, นั้นก็ส่วนหนึ่งอนะแต่ในขณะเดียวกันจิตของเราเนี่ยต้องได้รับการเทรนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาลีกรด้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากต้องประกอบกับผู้นําที่ที่ดีนะในการที่จะ ให้นโยบายสอนงานได้คือสอนแล้วเขาจะรับหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ธรรมะของของผู้รับทีนี้ผู้ผู้สอนหมายถึงว่าเจ้านายเอาพูดใหม่ก่อนครับเจ้านายจะสอนงานเนี่ยให้ลูกน้องแล้วลูกน้องจะยอมรับหรือไม่สมมติลูกน้องเธอต้องมีแม่ตาเฮ้ยทําไมฉันต้องมีเม่ตาฉันไม่ฟังเธอลูกน้องไม่ฟังเจ้านายเอาลูกน้องไม่ฟังเจ้านายเพราะว่าคุณมีกิเลสหนาก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ อาจจะให้สอนแล้วฟังเนี่ยเอาคุณมาปฏิบัติธรรมซะกิเลสคุณบางบางหน่อยมีความถือตัวน้อยหน่อยอเสร็จปุ๊บอเอาถ้าถ้าเอาคุณมาปฏิบัติธรรมกิเลสน้อยแล้วแต่ถ้าเจ้านายสอนงานไม่เป็นมันก็ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเจ้านายก็ต้องสอนงานเป็นอ๋อต้องดีทั้งสองทางทั้งผู้ให้และผู้รับคือมาปฏิบัติธรรมนี่คือหมายถึงว่ามาหลีกเลีนปฏิบัติใช่ไหมแล้วเจ้านายก็ต้องสอนงานเป็นก็จะแครับเจ้านายสอนงานเป็นนี่ส่วนที่เจ้านายจะต้องทํา ครับครับก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มจากจุดที่ทำได้แล้วก็ขยายขยายไปจริงๆตอนนี้อย่างทราบมาว่าหลักสูตรอย่างเช่นแพทย์หลายสถาบันนะครับก่อนจะจบหลักสูตรจะมีหลักสูตรบังคับเรื่องของการปฏิบัติภาวนาดีเร้นด้วยแต่มีห้าวันเจ็ดวันอย่างที่ทราบแน่ๆเลยมีแพทย์พระมงกุฎแพทย์จุลาแพทย์สิริราช แพทย์รามามมหรือถ้าถ้ามีที่อื่นถ้าใครทราบก็บอกบอกกล่าวได้นะครับจะได้ร่วมอนุโมทนาคือเป็นหลักสูตรบังคับเลยคือถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่จบอืมอันนี้ก็คือผมว่าดีมากเลยครับอ <laughs> เป็นอะไรที่เนี่ยจะได้ฝึกความเป็นอาชนา이หรือว่าคุณลักษณะต่างๆของความเป็นคนดียังยังพูดถึงเรื่องม้าเนี่ยเวลาเขาฝึกม้าชะนายนะ ครับพระูปช า, าเคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะต้องฝึกให้ม้าเนี่ยรับการสวมบางเหียนก่อนนะไม่พรยรถยแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องให้เทียมแอกครับทียมแอกเสร็จปุ๊บไม่พรยรถยละก็ต้องฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการกระโดดสีข่ขาในะการเอี่ยวตัวตะแคงเป็นวงกลมจนผู้ขีบอาวุธที่ตกดินได้นะสามารถวิ่งจรวดแต่ปลายกรีบจนไม่เกิดเสียงอย่างเงี้ยได้ทั้งความเร็วทั้งทีหนีทีไล่นะไม่กลัวต่อเสียงอุกระทึก นั่นคือจะเอากรอ บ, รบกรอบอันหนึ่งมาวางหน้ามา้าที่มัน อ, อยู่ระหว่างระหว่างตา ม, มา้าแล้วก็เอาหอกเนี่ยซัดใส่น้ำม้าจะต้องไม่ไมสะดุง้งแล้วก็<อ>ต้องรู้ในคุณค่าของพระราชารู้คุณค่าของพระราชารู้ว่าใครเป็นนายเนี่ยยกตัวอย่างถ้าใครเคยอ่านเรื่องทองแดงเงี้ยทองแดงรู้ว่าใคร<อ>เป็นกษัตริย์ใช่ไหม ร, รู้ว่าควรจะปฏิบัติกับคนนี้ยังไงคนนี้ควรจะปฏิบัติยังไง หนึอะไรลักษณะของทองแดงต้องแดงเป็นหมาอาชไนหมาอาชไนหมาอาชไนพูดยังไงก็ได้หมาวัดป่าอะไรส่งนี่นะอตไรมาล้างกุฏิอย่างเงี้ยล้างทางที่กุฏิเราเนี่ยถ้ามันมีความเป็นอาชไนนะคือเราล้างเสร็จมันจะไม่มาเหยียบเข้าใจไหมถ้าถ้ามันรู้มันมีความเป็นอาชไนนะแต่มันไม่มีความเป็นอาชไนมันก็มาเหยียบเละจนต้องล้างใหม่อ๋อย่ำไปเห็นเห็นเลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็คงต้องฝึกมันนะแล้วก็ด้วยความเร็ว นะด้วยการที่รับฟังคำอ่อนนุ่มไม่ต้องดา่าไม่ต้องว่าแต่แต่พูดกันดีๆคุณเข้าใจรอราแล้วก็ทำตัวให้สมกับเป็นวงพระยามาหมายว่าถ้าคุณเป็นคนปฏิบัติธรรมคุณมีธรรมะเนี่ยคุณคุณต้องตัวเองฉันต้อง l i v i n g งบายเตตัมมาคือตัวเรามีธรรมอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราเป็นอยู่ในอริยวงจะเป็นกระโถนจะเป็นพระราชาจะเป็นภาคกีริยวจะเป็นคนกุ้งปดหรื อ, อไรเราเป็นได้หมด ก็เรามีธรรมะอยู่ใช่ไหมเราเป็นแบบอยู่ในอริยวงคืออริยวงหมายความว่าไงคุณไม่เห็นแก่ลาบสการะอย่างสมมุติคนคนนี้มาเขาจะมาเล่าลวงเราด้วยลาบสัการะเราก็ไม่ไปอย่างเงี้ยแต่เราเป็นผู้ที่ไปตามคุณธรรมไปตามมรรคหนีไอ้ไอ้พูดสาหน้าที่ที่พูดถึงการฝึกตรงนี้นะผู้เจ้ายกมาถึงอริยมรรคมีองแปดบวกกับเจ้าสัมมาญาณกับสัมมาวิมุติอ๋อคือถ้าเราฝึกคน นะด้วยมร๘จิตเขาจะพร้อมในการที่จะอืเป็นอาชนายัยทีนี้ก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องละ่ะสมมุติพยาบาลหา<อ>พยาบาลเป็นพยาบาลบอาชนัยได้ไหมได้ไ ด, ได้จิตคุณพร้อมที่จะเป็นอาชนายคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องปุ๊บโอหมันมันเป็นได้หมดอืมใช่ครับอ๋อนอกจากมร ม, มีองค์แปดแล้วยังมีสัมมาญาณนะสัมม า, าวิมุตอสัมมาวิมุตโอ้เรียกว่า เต็มเปี่ยมเลยนะครับก็แค่มักแปก็แต่กว่าเต็มเต็มอยู่แล้วก็คือไปในแนวทางนี้ไงไปในแนวทางนี้เอย่างกรณีที่เราก็ต้องไล่มาตั้งแต่ศีลน่ะใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาวิมุติอันเลิศวิมุตินี่ก็คือหมายความว่าเป็นขั้นๆไปในหมอนรัตพงศ์อย่างที่เรามาเคยพูดว่าอย่างของเล่นเด็กอย่างเงี้ยวางได้แล้วใช่ไหมเรามีวิชาเกิดขึ้นแล้วในของเล่นเด็ก อแต่ท่านในของเล่นผู้ใหญ่อย่างเช่น อ, อสมาร์ทโฟนอหรือว่าเครื่องเสียงหรือว่ารถยนต์พวกนี้ยเราอาจจะยังวางไม่ได้อันนี้วิมุติหรือวิชาในตรงนั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นครับก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนตามระดับสัมมาญาณะก็คือญาณญาณที่ถูกต้องญาณคือการเห็นในญาณทัศนะอ๋อสัมมาญาณทัศนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสัมมาบิมุตต์ใช่สัมมาบิมุตต์มมบิมุตมมมตท์ที่ถูกต้องเห็นชอบที่ที่ถูกที่ชอบอืมโอเคครับอันนี้คือพูดถึงเรื่องม้าอาชนายนะคือคทุกคนสามารถเป็นอาชนายในในแต่ละคนแต่ละคนได้ในพิกสุก็เธอก็เป็นพิสุอาชนายได้นะคุณทํางานเป็นหมาเป็นพยาบาลหรือคุณทํางานในบริษัทคุณมีความเป็นอาชนายได้ จริงครับด้วยการที่ปฏิบัติตามมรรคแปดนี้เท่านั้นเองนะเราจะเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อแต่ความยากลำบากเราจะรู้ว่าใครเป็นใครใคร ป, ปฏิบัติตามทำคนนั้นเป็นใหญ่แล้วเราจะมีความาสบายใจความอุเบกขาก็ได้ความ อ, าอะไรก็ได้นะ่ะได้หมดเลยครับชไนรับได้หมดครับครับจะเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตามนะครับใช่ นำก็ได้ตามก็ดีครับอ่าทีนี้คือพูดถึงเรื่องความเป็นอาชนายละนะคือคบุคคลอาชนายเนี่ยเราอาจจะพบได้อยู่เป็นประชาในชีวิตของเราถ้าขั้นสูงสุดเลยพระเจ้าก็พูดถึงความเป็นพระอรันใช่ไหมถ้าขั้นตามตามลงมาก็ไล่กันตามลําดับลงมานะก็คือพูดถึง ค, คนที่มีธรรมะในใจเนี่ยมีการเป็นอยู่ในชีวิตด้วยการที่มีธรร ม, มะอนะ่าไปจะด่าว่าก็ไม่กโกรธนะทุวาแม้มากก็เป็นผู้ที่ไม่ขัดเคืองไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ เขาด่าว่าก็ยังมีความอ่อนน้อมทมตนปัญหาไดรเกิดขึ้นก็ช่วยกันแก้ไปอย่างเงี้ยไม่เห็นแก่ลาบสัการะเสียงสนเสริญเยินยออย่างงี้ครับอย่างนี้นะก็ตรงนี้มีประเด็นอีกไหมครับท่านเรื่องของกรณีของมาอาชนก็มีเท่านี้แหละมครับงามได้เสริมเรื่องมีมีสองสองท่าน ท่างแรกก็แฟนขาประจาของเรานะครับคุณทิพย์เป็นแบ่งปันแล้วก็หมว่าแสดงเจตนาเรื่องของการ ท, ที่ท่านถามมาในตอนก่อนหน้าเรื่องเกี่ยวกับวินัยพระแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออถามเหมือนถามถูกจุดเออถามถูกจุดแล้วเหมือนท่านก็ไม่ได้เจตนาที่จะลบหลู่อันใด<ล>ก็คือ พ, พูดถึงว่าบางทีมันก็เป็นสื่อเป็นข่าวอะไรอย่งี้นะ เราก็รเราก็อาจจะอะไรไปตามบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือทําจิตของเราแค่นั้นเองเราต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เราเกิดมาในสมัยที่มันแบบเป็นอย่างเนี้แล้วนะมันเป็นยุคไปสู่สัทธันตระกับเมราะฉนั้นเราก็ใครเป็นงไงก็ช่างหมัวมเถอะเราสบายใจไว้ก่อนัต่ถ้าเราทําดีแล้วรเราแก้ไขเราก็ดีขึ้นมาได้แน่นอนต้องให้กําลังใจท่านผู้ฟังทุกคนและบางทีเราก็ผิดตัวแตวาเองก็ไม่ใช่ไม่เคยผิดแต่เราก็เคยคิดไม่ถูกทำพิจารณาว่าเอ๊ะทําไมจิตเราเป็นอย่างนี้ จิตเราบ้าๆ บ, บอๆจิตเรามันแบบว่าทําไมจิตเรามันร้อนทำไมจิตเราเป็นอย่างนี้สาระควาคิดไม่ถูกแนตะ่พอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บเออจิตเราสบายขึ้นทางนี้ถูกอย่างงี้ครับมันก็เลยมาสื่อสารให้ท่านฟังฟังว่าเออดีแล้วนะถ้าเราคิดถูกแล้วจิตเราบาสบายอันนั้นเป็นทางธรรมะของพระเจ้<ช>าเนี่ยเป็นไปเพื่อความาคลายกำหนัดความระ ง, งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมระ ง, งับซึ่งความร้อนใจ ระงับซึ่งความหิวความกระหายความร้อนพวกนี้ระงับได้อถ้าเป็นไปในลทางนั้นก็ดีแล้วก็ถ้าเราอแก้ไขให้มันถูกได้ก็ดีดีมากเลยครับคือเรามุ่งมุ่งมาแก้ที่จิตของเราใช่ไหมครับก็พัฒนาตนก็อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะถ้าถ้าทําอย่างนี้ได้อครับก็ต้อนรอนุโมทนากับคุณทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอะไรก็ถามมานะครับเราช่วยกันแบ่งปันใช่ครับถัดไปพูดถึงที่ของคุณนัทนัทกุศลผลวานิชที่ในตอนก่อนหน้าตอนตามชายฉันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความสุขใช่ไหมว่าสมาธิเป็นสุขสภาวะที่เป็นสุขกับสุขเวทนาเนี่ยไม่เหมือนกันสุขสภาวะเวทนากับสภาวะที่เป็นสุขสภาวะที่เป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าสุขวิหารธรรม ในในฌานสี่เนี่ยมีไม่มีไม่มีสุขเวทนาเลยนะแต่ทำไมเป็นสุขวิหารธรรมที่มากกว่าฌานสองอย่างเงี้ยทั้งๆที่ฌานสองนี่มีสุขเวทนาอยู่นั่นก็เพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์อ่ามันเป็นทุกข์คือมันแตกสลายได้เปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ก็เลยพอเข้าใจไปแล้วเนี่ยคุณคุณนัทก็ไลฟยฟังว่า ได้ไปฟังมาฟังใครครวนอยู่ก็เลยได้ทำความเข้าใจได้แล้วก็ได้พูดถึงพุทธวจนะที่ว่านิพานเป็นสุ ข, สขอย่างยิ่งใช่หมแ ล, แล้วก็นิพานังประมาสุขนิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งนิพพานางังประมังสุนยังนะแล้วก็เลยมีคำถามต่อเนื่องอคำถามต่อเนื่องที่ถามมาจากคุณนั้นก็คือว่าสุขวิหารธรรมอย่าง คือเน่คัมมะสุขวิเวกสุอุปสมะออุปสมะสุขสัมโพธิสุขใช่หรือไม่คําตอบก็คืออันนี้เป็นซินนนิมของของนิพพานนะได้เหมือนกันนะใช่เพราะฉะสุขจากการนําออกนี่คือเน่คัมมะเน่คัมมะคือการนําออกวิเวกคือความว่างความแบบไม่ยุ่งกับใครอาุปสมะนี่คือสงบระงับแบบสุดๆถูกต้องถ้าเป็นซินนนิมกันก็สามารถใช้ได้อืมครับ คําถามถัดไปที่คุณน้ถามก็คือคําว่าจิตยินดีร่าเริงด้วยดีเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงสุขวิหารธรรมใช่หรือไม่ใช่ไหมสมมุติว่าเราบอกว่าอถ้าคุณวางขันท่าได้นะชื่อว่าจิตพ้นจากอสวาแล้วเพราะไม่ถือมันก็เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจิตจึงดํารงอยู่เอจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดํารงอยู่หมายก็ว่าไงก็คือหลุดพ้นจากความยึดถือในขันท่5จิตนั้นหลุดพ้นแล้ว อ๋อหลุดพ้นจากกันหลุดพ้นจากการที่ต้องไปก้าวลงในขันทั้งให้ใช่ไหมจิตคําว่าจิตดํารงอยู่หมายความอะไก็คือดํารงอยู่อย่างประพัดสอนเหมือนเดิมของมันใช่ไหมหลังพอจิตดํารงอยู่อย่างประพัดสอนแล้วจิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีใช่ไหมคําว่ายินดีร่าเริงด้วยดีเนี่ยคือสุขวิหารธรรมปราศจากกิเลสทั้งปวงสุขวิหารธรรมหมายถึงว่าเครื่องอยู่อันเป็นสุขเป็นสภาวะสุขับที่ ร่าเริงดีขึ้นอ่าครับทีนี้พอร่าเริงด้วยดีแล้วก็เป็นจิตที่เอไม่หวัดสะดุง้งไม่หวัดสะดุ้งแปลอะไรไม่หวัดสะดุงง้งเป็นตามการเปลี่ยนแปลงของขันตั้งห้าอันนี้เป็นพุทธวจนะที่อธิบายไว้อีกสูตรหนึ่งไม่หวัดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันตั้งห้ขันตั้งห้าจะเปลี่ยนแปลงไปไงยังไงจิตปริพัสดของฉันที่มีอยู่ในสุขวิญยาธรรมนี้ไม่สะดุง้งอืมครับโอเข้าใจเลยครับ ก็ยอมปฏิบัติภัยคืตนครับอืมอืมครับคือตัวกําลังมองว่าตัวภาษาคือร่าเริงอย่างอย่างเนี้ยแบบพ้นจากขันห้าเนี่ยคือไม่ไม่มีภาษาที่จะมารองรับว่าก็เลยต้องใช้ความร่าเริงร่าเริงเหมือนทางโลกว่าเหมือนเราเออมีความสุขร่าเริงแต่ร่าเริงของการละละกิเลสทั้งปวงหลุดจากขันห้านี่เป็นร่าเริงแบบแบบอัปเปอร์ลิมิตเหมือน สูงกว่าอคืแต่ตัวภาษาไม่มีภาษามารองรับแบบว่าเนคขมสุขกว่างไนเถอะครับคราบแปลนก็คือสภาวะสุขเปลงอย่างนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่สุขที่สุดเลยเพราะว่าในนั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีสภาวะทุกข์เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือคือตรงนั้นจริงๆคนนั้นนี่ก็เป็นคนที่คมเหมือนกันนะคือสามารถไปเจาะคําเหล่านี้ได้จริงๆตรงเนี้ยเป็นคถาครับครับถ้าอาจามาไว้ไดเรียนภาษาบาลีเนี่ยเราจะแปลไม่ได้อย่างนี้นะ ต้องขออันนี้เป็นภาษาบาลีนะอันนี้ส่งอันนี้ส่งของการศึกษาภาษาบาลีที่ท่านกําลังพยายามตอนนี้อืมคือว่าการแปลคถาเนี่ยมันจะต้องมีแง่มุมก็เรีมีสิ่งที่เป็นอัญมบทเพิ่มเติมได้ที่สนับสนุนโดยพุทธประนะอีกเหมือนกันแต่พออ๋องรู้เทคนิคว่าอัญมณ์บทนี้ว่ามันทำให้การแปลนี่มันแบบไหลลื่นไปได้นะอืมจริงครับณนี้ครับครับต้องผมก็ชมคุณนัทนะครับนิ่เจาะ ทุกเรื่องนี้ละเอียดทุกเรื่องเลยครับโอ้โหเพราะว่าอนุโมทนาแล้วก็ชื่นชมจริงๆนะครับอันนี้อืว่าจะเป็นผู้ร่วมมุนคืออย่างาอย่างคําถามบางคำถามเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับไม่ได้รับการถามเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องภาพข้ามอย่างประเด็นของสุขวิวณธรรมกับสุขเวทนาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแง่มุมที่มาพูดคุยได้นะจนกระทั่งได้รับการถามบอกว่าโอ้ต้อง เยี่ยมจริงๆครับคุณนัทต้องขอชมจากใจจริงนะครับว่า <c> ก <oughs> <g ül> ็ดีแล้วก็นี้ครับทั้งนั้นวันนี้เรามีเราได้คุยถึงเรื่องอการที่หมอ ร, มหรัตพงศ์มาเรียนล่นปฏิปัติธ ร, รมที่วันดปาร์ณไนโศกใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มในการที่จะทําเครื่องคลายความทุกข์ของขบุคคลต่างๆที่วัดอแล้วก็ได้ชักชวนผู้ตั้งผู้ฟังต่างๆมาหรียเล่นปฏิัติธรรมใช่ไหมแล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องความเป็นอาชนาย ของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนะค่าบแล้วก็ได้พูดถึงการที่เราทำสิ่งที่เราเคยทำไม่ถูกก็ทำไม่ถูกซะอย่างนี้นะเราเราก็เคยผิดเหมือนกันพระก็จึงมีระบบลงอาบัตด้วยนะแล้วก็ลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของสุขวิญารธรรมกับสุขเวทนาสุขเวทนามีอะไรเพิ่มเติมที่ไม่ได้สรุปไว้ตรงนี้ไหม ก็เดี๋ยวเรื่องวินัยพระเป็นตอนัยก็เป็นตอนหน้านะครับมาพูดถึงเรื่องวินัยในตอนต่อไปครับครับเราจะมีวินัยที่จะค่อยๆมาแบ่งปันกันนะครับจะได้เรียนรู้คิดว่าตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องวินัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการปับการฉันการประเข็มขบฉันอาหารญาติโยมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสังฆทานสังฆทานใช่ครับการทําสังฆทานที่ถูกต้องเป็นยังไงครับ น่ะนท่านไม่ใช่ถังเหลืองคนเมืองสังฆทานนึกถึงถังเหลืองมีของเต็มถังแมไม่ใช่ตอนนี้พัฒนาเป็นเป็นเอ่อเป็นถังเก็บความเย็นน่ะเป็นคูลเลอรแห้ครับเอองั้นก็เดี๋ยวใอยพบกันในตอนต่อไปก่อนัะทุก์ครับก็กราบนมำสการพระอาจารย์ไพบรูนพิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี และกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ